คิด ท, ทำมาสู่ฟังซะหน่อย <c oughs> มันไม่มีคำจะพูดอะไรวันนี้ดีในสัต ที่เขาคืพระเจ้าทรงสอนต่อพระสัตว์โดยส่วนใหญ่ท่านสอนไปแล้วให้ไปฟังโดยตัวเองคือไปกําหนดพิณิพจารณาโดยตัวเองเพราะคําสอนทั้งหมดที่ท่านสอนออกไปจากพระโอษฐ์ก็สอนเข้ามาสู่กายสู่วาจาสู่ใจของพวกเราถ้าเราพิณิพจน์นาในกายในวาจาในใจ ก็เลยคิว่าเราพิจารณาธรรมะแต่จะเป็นธรรมะได้ต้องอาศัยสติต้องอาศัยที่นิพพเจนาเข้าไปทาง <c oughs> ทางทางละทางถอน <Okay. S 1> นะสิพิจารณาไปเสื่อสะสมจิเละเพราะกายใจนั้นมันมีทั้งจิเละมันมีทั้งธรรมะแต่พิจารณาแยกออกไปเป็นทางจิเละ กอทำให้ใจของเราเกิดความหงุดหงิดัมเมาหลุมหลงเถิดเชิญไปในทางราคาตันหาต่างๆยึดโสดเคียดในสิ่งที่เราเห็นที่ในเป็นมงคลที่ในชอบพอในจิตในใจนี่คือพิจานณาไปในทางกิเลสพิจานณาไปในทางธรรมะ หมายถึงพิจารณาเผื่อละเผื่อถอนเพื่อเกิดสลดต้องเวทเผื่อเดือนน่าย <c oughs> ในสิ่งตี่ตัวลืมหลงเผื่อเชนมัวเมาเหล่านั้นนี่คือการพิจาราไปในทางธรรมะแล้วการพิจารนานั้นก็ถือเอาจิตเป็นผู้พินิจพิจารนาในเชือว่า ดะเอาวันอื่นมาพิจารณาก็จิตนี่แหละเป็นผู้ของผู้ติดผู้เิดผู้ปรุงทางไปแก้ไาขาจิตพิจารณาจิตเป็นธรรมะขอนแนสอนจิตตัวจะมีวันลุ่มหลงอยู่เรื่อยไปดันั้นการมีธรรมะสอนใจสอนจิตคือมีสติที่นี้พิจาา ให้าเห็นสภาวะธรรมนั้นตามเ็จริงของมันหยุดหยุดเยลุ่มหลงหยึดถือต่างๆมันก่อ่อเบาบางหรือละถอนออกไปเรื่อยหมายถึงการชำระจิตหมายถึงการทำจิตให้สงบจากอารมณ์สัญญาต่างๆนานาที่ลุ่มหลงความสงบนั้น เป็นพื้นฐานสงคัญถ้าไม่มีความสงบถึงจะมีปัญญามากขนาดไหนมันกกสายเป็นสัญญาไปคือพิจงาไปแล้วแทนที่มันจะแก่ไขละถอนจิตใจจีตค่องจิตคิดปรุงต่างๆมันไม่ละไม่ถอนให้มันยึดมันเหนียวเอาไว้ในสัญญาอารมณ์ต่างๆ เพราะจิตไม่มีกําลังที่จะฝ่าฟันอย่างเหล่านั้นให้ตกออกไปหรืให้เห็นตามเป็นจริงฉะนั้นเรื่องการสงบของจิตเป็นเพียงฐานที่พระพุทธเจ้าแนะนำพวกเราให้ฝึกอบรมจิตไม่มีความสงบคือกาไม่มีความสงบกาไม่มีความสงบ ทำการทำงานในการพักผ่อนหลับนอนหรือไม่มีการรับทานอะไรตายก่อจะไม่มีกําลังที่จะต่อต้านการงานต่างๆได้ถึงทาได้ของนิดหน่อยๆก็เสียเวลาไปยาวนานเพราะตายไม่มีกําลังที่จะต่อต้านที่จะฟาดฟันการงานให้ได้ตาม ทำป่าเถนายกายอ่อนกายเรียรกายากำลังไม่ได้การ ง, งานง่ายก็เลยยากการงานเบาก็เลยหนักเพราะกำลังของกายถี่จะหยิบยกทำนั้นมันอ่อนเพียมันอม่นีกำลังพอถ้าเราเลยรับฝ่อนหลับนอนทานอาหารอื่มน้ำาำลานต่างๆ การงานนั้นเราก็ทําได้สะดวกสบายไม่เป็นอุปสรรคอะไรเพราะกายเรามีกำลังที่จะต่อสู้มีใจก็ทํานองเยียวยาหายใจหาดความสงบความตั้งมั่นมีแต่สติมีแต่แต่แบบอารมณ์สัญญาผ่านมาอยู่ทุกระยะจิตกระวอกแวกวุ่นวาย ในสัญญาอารมณ์นั้นโดยเราจะพักสงบให้ถึงจะทราบว่าสัญญาอันนี้อารมณ์อันนี้ไม่ดีแต่ก็ิสาสามารถที่จะถอดถอนปล่อยวางสัญญาอารมณ์นั้นให้ขาดไปจากใจได้มีหมายเพงใจขาดความสงบแต่ใจมีความสงบใจมีกําลังใจตั้งมั่นเป็นสมาธิทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เก th ิดขึ้นผ่านมาสิ่งใดที่เราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการเราก็ปล่อยวางไปได้สิ่งใดที่เราต้องการที่จะพิจารณาในสติสภาวะนั้นตามเป็นจริงๆของมันเราก็พิจารณาได้แล้วก็เห็นจริงเจริงอย่างนั้นแล้วก็หมดความสงสัยถึงว่า อารมณ์สัญญาลูกเสียงเรื่องราวต่างๆมีอยู่ในโลกแต่เราไม่เจิดรีอเราเกิดมาแล้วก็มีอยู่เราตายไปก็มีอยู่ก่อตั้งแต่มันก็ไม่ขาดในปอดในวางในจิตในใจของเราถ้าหากมันหิวเข้าโดยปัญญาของตัวมันยังยึดยังถือยังเตือนยังชิดยังติดยังคล้อง พอเราสำลักจิตของเราเดือดปันยาที่แกนาให้ถึงจิตยิงจังแล้วสิ่งนั้นมันมีอยู่แต่เราก็รู้เราก็เข้าใจคือมันไม่หยุดไม่เฉลยเอาสิ่งนั้นมาเป็นของของตัวรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นของประจำโลกจิตของเราที่เหื่อสำลัสาสางไม่ที่แกนาไม่มีธรรมะมันถึงธรรมะ ก็เหมือนกันกับฝ่ามือของเราอะไรตกมาเราก็หยิบเอาได้ยกเอาได้จับเอาได้แต่เมื่อจิตของเราเข้าถึงธรรมะจริงจังแล้วรู้เท่าเพ่อถึงในสิ่งทั้งปวงตามจริงๆนั้นไม่หยิบไม่เกี่ยวในสิ่งนั้นเหมือนกันกับหลังมือของเราถึงของนั้นเบาของนั้นเล็กนั้นก็หยิบไม่ได้ยกไม่ได้จับไม่ได้ พอหลังมือแต่ฝ่ามือมันจิตกันหน้ามือมันจับเอาได้จะจับอะไรมันก็จับได้ของที่นหนักเหลือวิอออสัยแต่หลังมือเพืงอจะเข็นเล่มเล็กๆเท่านั้นมันก็จับไม่ได้ในจิตใจของท่านที่ศึกฝนอบรมเข้าทิงอัดทิ้งทำก็เหมือนกัน สัญญาอารมณลุดเสียงเรื่องราวต่างๆมีเหมือนท่านเกิดจิตท้องท่านมันปล่อยมันวางเห็นกับสัตวาเห็นได้ยินกัสัตวเกว่าได้ยินไม่มีอะไรจะไปรบกวนพอผ่านไปก็ตกไปหมดไปขนาดเกิดมาใหม่ขวทราบดีว่าเรื่องเหล่านี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเราจึงเกิดความดีใจเสียใจ ถ้าเราอยากจยยึดเกี่ยวกับเขาเราเท้าเรื่องเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นมันก็มีอยู่ตามเป็นจีนของมันมันอยู่ใไ้ไหนหนีตกไปไหนผู้รู้ก็จะไปหาผิวเลึกหว่าล้างเร่งเหล่านี้ให้หมดไปจากโลกที่รู้ในจิตในใจห่าใจของเรามันยกด้างได้ไหมมันยึดถือได้ไหมถ้าอยู่ภายใน จิตใจของตัวเองเป็นสันที่จิตโก้ขึเห็นเองแต่ก่อนเคยเห็นนั้นกันโดยจิตนั้นมันยังตัวพันยังยึดถือเมื่วนจิตอารมใจเข้าถึงจิตขั้นจิตจริงซึ่งเราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนมันจนขึ้นในจิตในใจของเรา ถ้าไม่ยึดไม่ถือไม่เกี่ยวไม่คล้องเป็นอย่างไรนั้นมันทราบดีว่ามันเป็นอย่างไรเพราะเราเห็นเราเป็นในสัวของเราจึงไม่มีทางสงสัยมีเพียจิตใจจี่สึกอบรมเสื่อละถอนกิเลสตัณหาเพื่อจะทําจิตให้สงบตลอดการตลอดเวลาเพือสงบจากทําดีทํามชั่วความจิตทํามค้องทํา เศ้ามอง่องใสต่างๆเป็นโลกาวิทูรู้ทั่วมีในจิตของตัวไม่มีการลุ่มหลงจะไปสถานที่ดดใดจิตใจชนิดนั้นจะไปสงสัยว่าไปถูกอารมณ์ท่านยายอย่างนั้นมันจะกำเริบ ม, มันจะเสียหายไม่เปลนไปได้ สอดีเหาควาบริสุทธิ์นั้นเป็นความบริสุทธิ์อยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาเป็นอากาลริโกลที่ไม่มีทางจะตายไปในขณะนั้นกรมีตามเชียใจอะไรลำพันกับเรื่องอะไรเพราะการละการบำเพ็ญมันหมดแล้วสะาดดีในจิตของตัวอย่างนี้ แผันจึงไม่มีความสงสัยลังเลแผันจึงไม่มี <c oughs> ทางละทาง ม, มเพินอีกมี่คือจิตที่ปฏิบัติเข้าถึงจิตมาอตายทางทีพระพุทธเจ้าทรงสอนแต่ว่าจิตว่างไม่ใช่คำรู้ที่มีอยู่ไม่ไม่เคยว่างแต่เป็นคำรู้ที่บริสุทธิ์ มันไม่ได้ยึดได้ถืออะไรถ้า ร, ระยะจิตว่างที่บางท่านบางอง์สอนว่าเป็นนิพานนั้นมันผ่านไปคือพบเห็นเหมือนกันผู้ปฏิบัติทั่วไปโดยส่วนใหญ่พบเห็นในจิตในใจข้างตนที่เจนารูปทายนอกทายในสรูปเหล่านี้ก็ะสาทเจวารูป ในใาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทราบดีตัวรูปเหล่านี้มีการเกิดแลปวนและแตกสลายความหมายที่วารูปไปจากที่ไหนใครไปสมมุติให้ทรามันก็หมดไปเยี่อทของรูปของสัก์เชืรูปาท่านั้นจะเป็นรูปสัตว์รูปบุคคลรูปต้นไม้ภูเขารูปอะไรทั่วไป พอทำนองเดียวกันในใจสัตว์เซวารุมีสถานเหมือนกันจอเกิดขึ้นแล้วควรและแตกสลายตามหน้าที่ของมันสั้นยาวเป็นเรื่องของวัตถุ น, นั่นนั้นมันจะอยู่ตามหน้าที่ของมันสิ่งใดที่มีความแน่นหนมันคงมันก็อยู่นานหน่อยสิ่งใดที่เมี่ยแน่นหนมันคงมันก็แตกสลายไปง่าย ทราในจิตในใจเข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นยิตระยะที่พบลูกพิจารณารูปเข้าใจเรื่องลูกหมดทุกอย่างมันจะว่างพอกํากหนดมันก็หมดไปเพราะไม่ได้มีความสงสยัยผิดห้องในลูกเหมือนนั้นลูกทั่วไปในใจโลกมันเหมือนกันจิตจีงไม่ไปยึดมันไปอยากที่จะได้มา เพราะสะอาดดีในรูปแต่มันเหมือนกันหมดมันจึงในจิตในจิตแล้วก็ว่างจากรูปกําหนดรูปอะไรเขามามันก็จบไปหมดไปว่างไปเพรอมันใส่ใจตามจริงจริงอย่างนั้นนี่ธือจิตว่างท่านปฏิบัติมันว่างอย่างนั้นมันว่างมันวาง มันไม่ยึดไม่ถือมันไม่เกี่ยวไม่คล้องจะจับมาที่เจนามันจะสลายไปสลายไปเป็นอวกาศเป็นภาพว่างไปหมดถ่าจิตว่างแบบนี้เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นนิพานนั้นผู้ปฏิบัติด้วยตัวเองถ่าใจด้วยตัวเองเห็นจริงด้วยตัวเอง ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่นิพพานเกิดได้จึงไม่ใช่นิพพานเพราะความสงสัยในใจมันยังไม่หมดไปว่างยิงจับสิ่งเหล่านั้นแต่มันมายึดถือควาว่างในจิตในใจทั้งตัวหว้มันวา่างพอพูว่าว่างมันยังมีอยู่จึงควรที่จะนะให้แยกทายเข้าไป อเหนือพิจนาเลื่อยเข้าไปความว่างนั้น <c oughs> มันกว่าสะาดดีกว่าว่างจรแจรูรปภายนอกสิ่งภายนอกหยึดคือเยอดถือถือยังไม่บ่งบอกว่ามันหมดมันขึ้นความสงสัยในการสร ะ, ะท้ปฏิบัติมันยังไม่บอกยังไม่เต็นใจยังไม่พอใจ จะมีความสงสัยมีจิตเป็นอากาสารัญจายจตนะที่เข้าไปถึงความละเอียดของจิตเราก็ไปหลงจิตว่าความว่ า, างนั้นเป็นของดีของวิเศษพระพุทธเจ้าชิงว่าเป็นเรื่องฌามไั่นเอเรื่องของปัญญามรรคผล เพราะจิตใจที่เป็นอย่างนั้นมันยังไม่หายสงสัยพิจารณาไปเรื่อยมันจะมีทางพิจารณาว่างกว่าพิจารณว่างของมันนถูกไปรู้ว่างไปสมมติว่างจนใครตอบสืบทีนะี้พเจาราเรื่อยเข้าไปมันจะไปเห็นไปเป็นขึ้นอีกเรื่องจิตเรื่องใจคือยั ง, ย ง, ยยงมันยังเดินอยู่ มันยังไม่ถึงความหยุดของมันมันยังปุงยังคิดยังติดยังคล้องหมดรูปพอไปถึงนามความว่างก็เป็นนามอันหนึ่งแต่เราก็พิเจนาไม่ได้ปล่อยปะละเลยพิเจนาเรื่อยๆผลที่สุดความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตในใจ ถึงเราไม่เคยเป็นเคยเห็นมาก่อนไม่เคยทราบมาก่อนมันจะเกิดขึ้นความเกิดขึ้นอันนั้นเป็นขึ้นอันนั้นมันหนึ่งอยู่ในวงที่ท่านที่ท่านเขียนเอาไว้ที่ท่านบวงท่านบอกเอาไว้เราเคยส ง, งบเยือกเย็นเงียบขนาดไหนก็เคยพบมาละเอียดขนาดไหนก็เคยพบมา ว่างอย่างไรก็เคยพบมาแต่อันนั้นจะว่าว่างก็ไม่ถูกจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าอะไรไม่ถูกทางนั้นสมมติไม่ถูกจะรู้อยู่ในใจรู้เวทนาสังขารดิน ญ, ญาณเป็นอย่างไรทราบสมมติของโลกเป็นอย่างไรทราบมันเข้าไปเกี่ยวข้อง ควพันอีกไหมในความเป็นความเห็นของใจส่วนที่เราเห็นเราเป็นท้าว่าในมีอะไรที่จะไปเกี่ยวไปปรุงในความเป็นอย่างนั้นจะบําเพ็ญไปอีก <c oughs> จะมีอะไรดีขึ้นไหมกัวซ่าจะหยุดเพียงแค่ น, นี้จะมีอะไรเสียหายอีกไหมกัวซ่า ไปก็ไม่ใส่มาก็ไม่ใส่อยู่ก็ไม่ใส่จนเป็นเรื่องเหนือสมมติถิมนุษย์ทั่วไฟธรรมดาจะทราบจะเข้าใจเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันไปจับในใจว่าอะไรที่จะทำใ้ตัวดีชั่วบำเพ็ญหรือละอีกมันไม่มีเพราะทราบดีอยู่แล้วสมมติมันมาถึงแถ่นี้จุดนี้ เรื่องขอาธมันมาถึงแค่จุดนี้การบาเพ็ญทั่วไปนั้นมาถึงแค่จุดนี้เลยจากนี้เป็นอะไรเราทราบอย่างเช่ว่มักคสีขนสีนิพานหนึ่งโลกุตละสราบทราบไอผู้มารู้นิพพานผู้เหนือนิพพานไปอีกคืออะไรคือเหนือสมุด โลคุตละขามเก้าคืออะไรที่มาทราบเรี่องโลกุตละขามเก้าคืออะไรเราทราบมันจึงหมดสงสัยในการประบัติปฏิบัตแิแก้ไขกายใจของตัวนี่เป็นผลเกิดขึ้นจากการประบัติปฏิบัติถึกขัดเทวนาะไม่ใช่ว่าเรียนตามตำรับตำร า, าฟังมาแล้วมันจะเป็นจะเห็นอย่างนั้น มันจะต้องอาศัยการประบฤติปฏิบัติโดยตัวเองมันจึงจะเกิดจะเป็นถึงจํามาได้ถ้าหากมันไม่เป็นไม่เห็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะเข้าถึงจุดหมายตายทางที่จะหายสงสัยได้ถ้ามันเป็นมันเห็นถึงมาได้ยินได้ฟังมาจากใครก็ตามความเป็นความเห็นของคนนั้น สะอาดโดยตัวเองว่ามันบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรที่จะละจะบําเพ็ญต่อไปไม่มีอะไรสมมุติของโลกที่จะไปผิดข้อมีคือการปฏิบัติที่ผููปฏิบัติจะต้องประสบพบเห็นในตัวเองเพราะนั้นการปฏิบัติทุกขัน้นทุกภูมิที่เราพื่อปฏิบัติมาเมื่อเรายังไม่ถึงขีมหาตายทาง ความเสียใจดีใจนั้นมันจะต้องมีเป็นธรรมบันดาในว่าใครทั้งหมดจะต้องตื่นเส้นเมื่อเห็นเข้าพบเข้าใหม่ๆเรื่องความสงบของใจใจของใสใจสงบไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็ตื่นเส้นเหมือนคนที่ไม่เคยมีสมบัติมาก่อนได้ ก่อนสมบัตรใหญ่ๆที่จะต้องมีใจเป็นธรรมดาแต่เมื่อสมบัติหายไปก็จะต้องมีความเสียใจอีกมันปกติไม่ได้ทั้งทั้งที่รู้ว่าความดีก็เป็นกิเลสกันหาความชั่วก็เป็นกิเลสกันหาเป็นทางการมาสูขขายยาส่ขันธ์หรือการโยกคือความสุขความดีแล้วจิตขคขล่องเราชอบ เราพอใจความไม่ดีความชั่วความเาสียต่างๆความเสื่อมเราถือว่าเราไม่ปากแหวเราไม่ต้องทารเป็นอบจต่กิเลสฐานใโยกมันผิดทั้งดีทั้งชั่วมันเป็นกิเลดได้ทั้ง ถึ้นทั้งล่องจิตของเราจะเป็นางเป็นมัทีิมาได้มันจะต้องหึงจุดหมายสายทางยิงจังจึ่งจะทราบว่าอันนี้มันเป็นพิดเป็นภัยอันนี้ก็เป็นทิ่เป็นภัยเหมือนกันเป็นดาบสองคมคือ ท, ทำให้คนจิตคนท่องคนเจ็บคนปวดได้ทั้งดีและชั่วทราบอยู่ในจิตในใจ แก่ใจไม่เป็นอย่างนั้นมันกอดยังไม่หายสงสัยยิ่งจะต้องประเพสจะที่ัตบเรื่อยไปเตนใจมันเห็นมันเป็นหาดจากความสงสัยทั่วไปดีชั่วอะไรทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมติที่โลกทั่วไปศาสตร์ทั่วไปจะต้องติดข้ออุมาถึงจุดที่บริสุทธิ์แล้ว ท่านจึงไม่มีการสงสัยแต่เราทุกคนจะต้องมีการสงสัยเพราะใจยังไม่เต็นอย่างนั้นเดจะต้องประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปเนื้เคยเห็นเคยเป็นเคยผ่านบางทีจิตดีเยียบเย็นเห็นอะไรก็เป็นอาจเป็นธรรมไปหมดในยินอะไรใจก็ผ่องใสใจก็เกิดสติใจก็เกิดปัญญาในเกิดราคะตัณหาในโกรธในเกลียดอะไร ทิ่เจรณาอะไรกว่สาสว่างสาวัยทิ่เจรณาอะไรก็เยืยกอก่อเยินนี่คือจิตระยะที่มันเราะมันอาศัยกับอัดกับทำมีสติมีปัญญานําสิ่งต่างๆมาเพื่ออัดเพื่อทำไม่ไในนํามาเพื่อเป็นจิเลตจัญหานํามาเพื่อแก่เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนจิตใจ มันเลยผ่องใสมันเลยอยาดเย็นมันเลยสงบเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเลื่อยเลื่อยใจใจมันสะดวกใจมันสบายใจมันผ่องใสแต่คำผ่องใสก็ดีําสงบก็ดีมันเป็นยานเป็นสมัยมันเกิดขึ้นได้และมันก็จะมีการเสื่อมสลายไป สิ่งเหล่านี nou, ้มันเป็นอยู่แต่ไหนแตไรมาเราไม่เจอไม่เห็นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นพอเราปฏิบัติเข้าไปถึงขั้นมันจะต้องเปลนไปอย่างนั้นเราก็ยึดเกิดถือว่ามันถุกมันสบายมันสงบมันเย็นมันสว่างมันสวัยชมใจท้องตัวว่ามันดีมันดีเรียดอย่างนั้นอย่างนี้นานๆไป มันจีดมันจางมันเฉื่อมไปปวดเสียใจเอ๊ะทำไมมันเฉื่อมตามผ่าตามเทียนแล้วก็ต่างหน้าต่างซตารักษาต่อเพื่อปฏิบัติอยู่พงเส้นพงวามันทําไมมันเป็นใจช่น้อยนี้เสียใจเดือดถังอุบายเร็นองามเทียนอย่างนั้นอย่างนี้จิตก็จะเริ่มขึ้นอีกกระตุ้นเกิดอีกเฉื่อมไปก็ง้อยเงาเศรมองอีกหลายครั้งหลายหน สนตัวของตัวทราเอาอ น, นี่มันอะไรกันเนี่ยเวลามันละเอียดขนาดนี้ไมควรที่จะเสื่อมจะเสียไปมันทำไมมันเสื่อมมันเสียไปได้มันจะเกิดวิจัยวิจารเหยื่อความติดความขลองความยึดความถือของใจมันทำไมมันเป็นไปแบบนี้อ น, นิี้ัง ทือพันว่าเกิดมาแล้วแฝงปวนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนี่มันเกิดขึ้นมาจากที่ไหนจะทราบว่าอาการอันนี้ไม่ใช่ความบริสุทธิ์อาการอันนี้เมื่อมีความเกิดขึ้นมันจะต้องเปลี่ยนไปความดีใจมันเกิดขึ้นมันก็จะต้องเสลี่ยมไปเสียไปความเสียใจที่มันเกิดขึ้นมันก็จะต้อง เสื่อมไปเสียไปเหมืนกันไม่อย่างนั้นคนอยู่ในโลกมันก็ไม่หลงค น, นททในใคนที่มีความทุกข์ในใจคนที่ทมีความโกรธนันก็จะนนไม่หลับจิ้มไม่ได้จะทุกข์จะลำบากจนกระทั่งวันตายแต่มันก็ปล่อยไปได้วางไปได้เป็นตามแ บ, บางสมัยมันจึงอยู่ได้ทนได้ทําให้สวดหยุดตลอดเวลามันก็มีม ความสุขความสบายให้ถ้ามันดีตลอดเวลามันก็ไม่เย็นชัยแล้ทุกอย่างนั้นโทษอย่างนี้นี่มันในคงเจนคงวาอย่างนั้นเราเองเป็นในตัวของเราเสื่อมเราก็เคยเสื่อมมาแต่ใครเล่ามาช่วยรักษาทําความเจริญขึ้นให้กว่าตัวของเราเองในใจหรือเมื่อมันเจริญเน้ะมันเสื่อมไปใครเล่ามา รักมาขมมวยเอาไปมันจึงเสื ang, ่อมไปอย่างนั้นไม่ใช่ตอนที่เจนนะวิใจวิจารนี่เป็นอาการของจิตเราไปตัดคุปอาการของมันยินตามเงาพอเราไม่เห็นตัวจริงพอมันเห็นตัวจริงคือเห็นว่าจริงเหล่านี้เป็นอาการของมันผู้มาเห็นอาการเหล่านี้คือใครคืออะไรเราจะทราบ แเราไปตื่นเส้นหน้าที่ปฏิบัติมีอย่างไรปฏิบัติไปอย่างนั้นเมื่อมันเกิดดีขึ้นมาเราก็ไม่ เ, เทิดเทนในเดชิดในความดีในหลงในความดีเมื่อมันเสื่อมไปววมเราเก็ไม่ไปเสียใจหงยเหงาเจ้าจุกในความเสื่อมไปเหมือนนั้นเพราะเคยเห็นมันเคยพบมันเคออยเข้าใจมัน ว่านี่เป็นอาการไม่ใช่ตัวจริงของมันตัวจริงเป็นอย่างไรเราทราบจริงปฏิบัติเรื่อยใจปฏิบัติเรื่อยใจทั้ททงๆ ท, งที่ดีและชั่วมันก็เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะเป็นเวลาเหมือนกันแต่ไม่หลงไหลมาดูจดตามคาดีความชั่วของชัวไปหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเรือ่อยๆอีูอย่างนั้นผล ท, ที่สุดก็ไปถึง ขั้นที่หมดสงสัยอย่างที่อธิบายมา